<c oughs> งานครบหลวงปู่จันโมผ่านไปแล้วแล้วไปแล้วอันนั้นมันเรื่องของคนเรื่องของหลวงปู่จันโมแล้วแต่ว่าเรื่องของข้าวของท่นแล้วเถอเรื่องของเ้าวข้าต้องเยี่ยมโตเยี่ยมตัวเอาไข่เอามั่นเด้อมาในโลกนี้ถึง ม, มาขั้วมาพันถึงมาฆ่ากันดู ลุ่มๆอยู่ว่าไรเนี่มยมยันเป็นของไปของมันทุกคนจะต้องค่อยๆเข่าเข่าเราจะเจ๊กใคร้ช่วยเป็นนั่นเป็นนี่ไหแล้วจะน่าจะตายด้วยกันก น, ไไนี่แหละที่มาพั่วมาพัานกันอยู่เป็นห่วงเป็นกลางวนเป็นหกักเป็นไข่ผู้นั้นผู้นี้อยู่นน ห, หนึ่งถัาไปหอดวันนึ่งเราเต็นบัวออกแล้วขั้วจะมีจัดตัวเจ้าของ สะสมสังสมเอาความดีต่างๆใส่ใจเจ็บคองไหวใส่กายใส่ร่ายกายแต่ใส่น้ำยูแต่ว่าในส่วนของหลางกายมันเอาไปว่ได้รอก่หาแนวสดีใส่ใ จ, ใจเจ็บคองไหวให้ภาวนาโดยเฉพาะเขากับขาม่าวัดมาว่าวัดที่คนผ้าเฮ็ดฆ่ายูฆ่าถ้ำภาวนาแล้วให้ตั้งใจภาวนาคำพูดตั้งใจแล้วูดได้อย่างละ่ะในโหลกเนี่ย เรื่องของลงปูแล้วไปแล้วเป็เรื่องของเข่ายังพอทันแล้วเรื่องของเขานี่แม่ยั ง, ยงกินเขาหาแนวมาอยู่มะกินหาแนวมานุงมะหอมหาอยู่พายามารักษาหาที่รักที่นอนที่พักที่อาศัยแล้วกัยังบ่บบมดเดื่ในก็ไปเท่ น, นั่นเป็นเรื่องใจเจ้าองใจเจ้าองเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญอันนั้นละงานแท้งานของเขานั่น หลวงปู่เป็นแล้วแล้วเป็นไปแล้วเป็นใดแนวดีใดของดีใส่ใจไปแล้วเข้าบทท่านใดนะเหยียบเข้าบทท่านแล้วอ้อมขึติต้องไปหันอยู่ไปวางมันติดเจ็บติดป่วยติตายในสะ่ใสไปส่มั่นต้องสั่งใจเอาเดินจงกลมนะ่งเดินตรงกลมนางภาวนาท่านสมารถทิ้งสงหุ่นสั่งคุง่ตนในท่านรักษาชีวิตมั่นนะ นั่นแหละแน่ว้นข้าเหตุมันแน่วของดีนะของดีอันนี้มีคิดไใในะู่ใจคนก็ บ, บอกไปสอนแล้วคันไม่ใหเข้าคืดเองมเนีออ่ยจะคิดว่าได้ละคันเ่นบอกคนสอนอะไรตั้งใจเหตุเอามันไปติดขาน้นี่คุณนี่ขาดเพิงถาดกาะใไสจีวอนบอกเพิงผมเพิงผมเพิงเน่ากุาบบกงงาบญบา ร, รมีเพิ่นบรร่อยเกิ กะี่ไปคิดโดนหลายคิดแน่อยงจันไหนให้คิดไว้จังใจะฟ้องจะเพิ่งจะฟ้องได้ฮัดท่ำใจจะฟ้องให้มันสงบให้มันได้คิดใจจะฟ้องก็ระสงบเพราะงายปึ๊บให้มันสงบเป็คนคิดใจเพะงบแ้มันกระเพื่นท่านออกไปไปเครียดไปโกรธไปเครียดไปหัดไปสร้างหันอันอะเกลียดหลายๆเขาต็ลุกบึ้มามาใหม่กันที่หนนี มั่นจีดายจีนยังขันบ่เฮ็ดเอาใส่ไก่ไว้บ่มีแนวดายดอกให้เฝ้าออเสิรดิจ่องเฝ้าเฝ้าเฮ็ดเอาคนเท้าเกิดหน้านี่ยอายุสมมติว่าอายุเจ็ดสิบปีเจสิบห้าปีเน่น่าจะสองมืกว่าหมือนคนดิจิสองมืนกว่ามหมืสามมืนอยู่วังนี่หละอันนี้มันเมดมาแล้วมันมดไปแล้ว้าย เ, ยเลยด้วยเเอามาหอดนีเยอะน่อ น, นอน เหมาทำบุญท่าท่า น, านรักษาจีนจะเล่ภาวนาอัานว่าจะเล่นภาวนาเหรท่านมันกับบแมนว่าเพราะมาเฮ็ดซับมือ้องมือแล้วคิดเปนหมากเป็นขึ้นมาเลยกับบแมนด้มันต้องใส่เวลาลายอาลังคนมาอยู่โดนแล้วภาวนากระดนแล้ของพระท่านเป็นเฮ้าเป็นะระย่างเขเป็นระบอแต่พรท่านเป็นกับเฝ้าแล้วเฝ้ า, าภาวนาเฝ้ า, าทับถ้ำสมาธิ ผลทำสมาทธิอบรมเจ้าของผันผู้อื่นสอนมันสอนบ่ได้ผันสั้งผู้อื่นสั้งคนเบาแล้วนี่หเอามาสอนเจ้าของผันผู้อื่นสอนจําที่จำไส่เขาเป็นเครียดเขาสั้างเขาผลหวยสวะไปหาที่เขามาสั้งสอนเจ้าของให้มันได้มันสั้งสอนเจ้าของมันบ่เครียดมันบ่อยากตายผันผู้อื่นสอนมันอยากตาย แต่ว่าทัานจะค้องบรสิสนจะค้องดูไหลดนไหลเลยบรสันตจะคล้องะอจะเสื่อมูหัวิีสอนไม่บันไอสอนปรไดีโลกนะ่าจะดีสอนว่าเอาไงมันตายไปหน้าวันนี้นโลก่หอดทุกไายเลตายทุกคนนะมันเทียมโตไว้มันถิ่หอดทุกหู่ทุกคนอยู่เออเทียมัวไว้เสืออันนั้นละคสือวางมันสิหอดวางตายอนน่ละ ย้ำไปมันบ่าะไมันเลือกนาบ่าไมาเลือกว่าผู้รักผู้ใหญ่ผู้หลังผู้รวยผู้สูงเป็นพระเป็นเม่นเป็นผู้บาอาจารย์เป็นหลวงครูยังมัไม่ได้เลือกเลยมันเอาตายด้กันมั้ว่าผู้ผู้ชายจะตายผู้ใหญ่ผู้น้าก็ตายยู่งันั่งเละเขียมไอ้เจ้าของไม่อยู่ในนี้เลยิมาขั้นกันุงุมย่เลย หวังไปเพืเ่นเพื่อนเ ก, นกาะใต้คาเหลืองเพื่อนบ่อหวังเพิ่นบุญบาลมิ้เพิ่อนบ่อ น, นี่เศร้านะไปงานขึ้นหาดีเพียงนใดใจเขาจิมีกำลังเต็นแข็คงควรจะครองได้ยังไงก็สั่นพานไปเนี่ยนึงหนึ่านไปอาชีพหนึง่งชิดแจนขั้นพุดงานพูเสาเข้าวเดียวมื่อจะข้าวจะพววเมื่ออาตย์กันขัน้นพูดอีเล็บมันมันบัวานแล้วก็ตังใจภาวนาเนี่ยนี่มันจะได้กัน บอกแล้วจ้าชีผูจักเรียจ้าชีบริษัทเอาแบไม่แล้วจะไปเซมันแล้วคิดถึงข้อหาพระเข่ามั่ยเนี่ยบกินจะสร้างเจเลยแม่คิเล็กเอาปากจะล้องปากเนี่ยจ ะ, จะไปปาบผู้อื่นปากที่เหลือจะคล้องมันหลายานเนี่ะเออเมื่อวันนี้ฉันเสร็จแล้วเนี่ยพระเจ้าพระสงฆ์ผู้บาอาจารย์ขัตถน ไปซอยกันเนี่ยนไปซอยกันเจ็บแค่ถ้าตอนนี้ยเจ็บแค่ที่อยู่โล่งเครื่องเจ็บแค่เขาที่ทำมันเรียบร้อยไปช่วยกันไม่มากหรอกมี่เจ็บก็มันเรียบร้อยเขมีที่ไปช่วยกันไปดูมันเจ็บยังไงมันจะได้รู้กันทั่วฉันเสร็จประมาณแปดโมงกว่าเก้าโมงนี้ไปช่วยกันเจ็บไหไม่นานหรอกเดี๋เสร็จ